ว่าสีของท่านเหลียวฟานธรรมสภากราบขอบพระคุณคุณเจือจันร์อัชพันธ์มิสโจเป็นอย่างสูงที่เมตตาอนุญาตให้ธรรมสภาได้มีโอกาสจัดทำผลงานอันทรงคุณค่าต่อมนุษยชาติ ออกเผยแพร่ด้วยมุ่งหวังความเจริญแพร่หลายแห่งธรรมะและความงอกงามแห่งปัญญาจากบังเกิดแก่ประชาชนและท่านผู้ฟังอย่างกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น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 ราศีป่องสายยิ่งนักรูปร่างท่านสูงใหญ่สง่างามราวกเทพพยาดาพ่อจึงคารวะท่านด้วยความเคารพท่านพูดกับพ่อว่าเธอนะ่ยจะได้เป็นคุณนางนะปีหน้าจะสอบผ่านได้ทั้งสามขั้นฉันไหนจึงไม่เรียนหนังสือเล่าพ่อจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟังแล้วก็ถามชื่อแสและที่อยู่ของท่าน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 หรือพุทธศักราช 1,503 ถึง 1,670 ท่านผู้เท่าคงต้องการจะถ่ายทอดวิชานี้ให้กับพ่อพ่อจึงพาท่านมาบ้านเพื่อมาพบท่านย่าของลูกกันกำชับให้พ่อตอนรับท่านผู้เท่าให้ดีเราทดลองให้ท่านพญากรดูก็ปรากฏว่าแม่นยำไปซะทุกสิ่งแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ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 และขั้นที่สามจะได้ที่เก้าปรากฏว่าผลออกมาเช่นนี้จริงๆต่อมาท่านกบยากรณ์อนาคตของพ่อเอาไว้ว่าปีใดจะสอบได้เป็นนักเรียนหลวงได้ข้าวพระราชทานเป็นจำนวนเท่านั้นถังปีใดจะได้สอบกันสุดท้ายปีใดจะได้เป็นในอำเภอ เมื่อเป็นในอำเภอแล้วสามปีครึ่งก็ควรลาออกจากราชการเพราะอายุห้าบสามปีก็จะสิ้นอายุไขจะนอนตายอย่างสงบในวันขึ้นส4ส่ค่ำเดือน8เวลาระหว่างตี 3. หนึ่งถึงตีสามนาเสียดายจะไม่มีบุตรไว้สืบสกุลพอ่อได้บันทึกไว้ทุกคำเพื่อกันลืมในการต่ อ, ตอมา การพยากรของท่านผู้เฒ่าคงก็ยังคงแม่นยำอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพยากรไว้ว่าจะได้รับพระราชทานข้าวหลวงครบจํานวนหนึ่งแล้วจึงจะได้สอบขั้นสุดท้ายเพื่อเตรียมตัวเข้าเมืองหลวงนั้นยังไม่ทันที่พ่อจะได้รับพระราชทานข้าวหลวงครบตามจํานวนที่ท่านพยากรเอาไว้พ่อก็ได้รับคําสั่งให้ไปสอบแต่คราวนี้สอบตก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 ไม่จะเ ον, ย่อใจยานขวนขวายไม่ดิ้นรนที่เอาดีไปวันนี้อีกต่อไปทําให้จิตใจสงบดียิ่งนักเมื่อพ่อสอบได้แล้วเชน่นนี้ก็ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงอยู่ในมหาวิทยาลัยของหลวงหนึ่งปีพ่อไม่ได้ดูหนังสือหรือว่าตําราเรียนใดๆอีกเลยเอาแต่นั่งสมาธิไม่พูดไม่จาไม่คิดอะไรทั้งสิน้น พอครบหนึ่งปีพ่อก็ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปเข้ามาหาวิทยาลัยของหลวงทางใต้คือนานกิงในปัจจุบันอันเป็นสถาบันสุดท้ายที่นักศึกษาที่สอบไล่ได้ตามขั้นตอนต่างๆในภูมิลำเนาเดิมของตอนมาแล้วจะต้องเข้ามาฝึกฝนเตรียมตัวสอบเพื่อออกรับประชการต่อไปแต่ก่อนที่พ่อจะเข้าไปยังสถาบันนี้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 แต่พลังแห่งกุศลธรรมนั้นใหญ่หลวงนักสามารถพลิกความคาดหมายของโหราศาสตร์ได้คนจนก็กลายเป็นคนรวยได้คนอายุสั้นก็กลายเป็นคนอายุยืนได้ในํำนองเดียวกันคนที่สร้างอากุศลธรรมอย่างหนักเอาไว้ชะตาชีวิตก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกันแม้จะถูกลิกิตมาว่าจะได้ดีมีสุขอย่างไร แต่พลังแห่งอกสนลกรรมนั้นใหญ่หลวงนักย่อมสามารถเปลี่ยนความสุขเป็นความทุกข์ความมีลาบยศกลายเป็นหมดลาบยศความอายุยืนก็กลายเป็นอายุสั้นได้เช่นกันท่านว่าพ่อนั้นปล่อยชีวิตให้เกิดอยู่กับชะตากรรมมา20ปีชะไหนจึงไม่ใช่ปุถุชนเราพ่อกราบถามท่านอีกว่าถ้าเช่นนั้น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 ในพุทธธรรมก็ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดต้องการลาบยศย่อมได้ลาบยศผู้ใดต้องการบุติดาย่อมได้บุต ธ, ธิดาผู้ใดต้องการอายุยืนย่อมได้อายุยืนหากประกอบแต่กรรมดีย่อมสมปรารถนาแหล่พระผู้มีพระภาคตรัสไวเช่นนี้ข้อกษัตริย์ท่านตอไปว่านักปรารถนาแมงจือได้กล่าวไว้ว่า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 ท่านอินกุเทระตอบพว่าท่านเน่งจือ้อกล่าวไว้ไม่ผิดหรอกพ่อเองนะที่เก่าใจคำสอนของท่านผิดไปท่านหลักเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าความสุขความเจริญทั้งมวลเกิดขึ้นที่ใจก่อนทั้งสิ้นการสแสวงหาใดๆก็ตามต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนไม่เพียงแต่จะได้คุณธรรมความดีงามทางธรรมะเท่านั้นความสุขความเจริญ ลาบยศชื่อเสียงเงินทองอันเป็นความดีงามทั้งโลกก็จะติดตามมาเองเพราะฉะนั้นการสแสวงหาแต่สิ่งที่ดีงามนั้นย่อมได้สิ่งที่ดีงามตามปรารถนาในตานองเดียวกันหากไม่สํารวจตนเองไม่เริ่มต้นทําความดีจากตัวเราเองกลับดิ้นรนคิดสแสวงหาจากภายนอกแม้จะสแสวงหามาได้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 ไม่สมควรมาสอบเพื่อเป็นคุนนางกับเขาเลยแล้วพ่อกับสายายท่านฟังถึงเหตุผลที่คิดว่าตนเองไม่สมควรมีบุตรจริงดังคำพยากรของท่านผู้เฒ่าคงให้ท่านอินกุเทระฟังต่อไปว่าอันธรรมดานิสัยของพ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไปไม่เป็นไปตามทางแห่งมัชิ ม, มาปฏิปทาโบราณท่านว่าไว พันพื้นดินนั้นยิ่งไม่สะอาดเพียงใดก็ย่อมเจริญด้วยพืชพรร์นา น, านาชนิดน้ำที่ไม่ใสสะอาดมักจะไม่มีปลามาแวกว่ายฉันใดพอนั้นชอบความสะอาดมากเกินไปจึงย่อมไม่มีบุตรฉันนั้นนี่เป็นเหตุผลประการที่หนึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์สรร พ, พสิ่งให้สมดุลเพื่อให้ชีวิตเจริญเติบโตดีๆ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 ถือดีไม่ยอมลงใครฉะไหนจักมีบุตรได้แล่วนี่คือเหตุผลประการที่สามการพูดมากทำให้สูญเสียพลังพ่อนออดพูดมากไม่ได้ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนี่คือเหตุผลประการที่สี่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 เผาผลาญร่างกายตนเองอยู่เสมอทำให้ปัจจัยทั้งสามนี้ลดน้อยถอยลงจกมีบุตรได้อย่างไรแม้จะมีได้บุตรก็จะไม่แข็งแรงและอายุก็คงไม่ยืนนี่ก็คือเหตุผลประการที่หในยามกลางวันคนเราไม่ควรนอนในยามกลางคืนก็ควรนอนพักผ่อนให้สบาย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 คอยหลั่งฝนมาให้ความชุ่มชืน้นคอยส่องความสว่างมาให้ความเจริญเติบโตและธรรมชาติก็จะดุดันกับความไร้คุณธรรมครนนำทั้งฝนพายุและสายฟ้ามนุษย์ต้องตายไปท่ามกลางความดุดันของธรรมชาติก็มีไม่น้อยทั้งนี้ย่อมขึ้นกับความดีความชั่วในตัวบุคคลใครดีก็จะได้รับการส่งเส ร, ริม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 ยังเป็นไปตามลิกิตของดินฟ้าทําไมกับชีวิตที่กอบโดยคุณธรรมความดีงามฟ้าดินจะไม่อย่างรู้ได้เลยโชคชะตาติดฟ้าดินลิกิตมามนุษย์ยังพอหลีกเลี่ยงได้แต่เคราะหกรรมที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เองก็จะหนีไม่พ้นเลยมีโครงบทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ต้องคอยสํารวจตนเองเสมอ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 ได้กล่าวไว้ว่าหากมนุษย์ไม่รู้วิธีวาดหูได้ถูกต้องแล้วใซจะถูกผีสางเทวดาวาระยะเอาได้เพราะฉะนั้นการวาดหูก็ต้องหัดให้เป็นเอาไว้เคล็ดลับของวิชานีอยู่ที่ต้องทำใจให้เป็นเอกคาตาให้ได้เท่านั้นเมื่อเริ่มจับผู้กันก็ต้องหยุดความรู้สึกนึกคิดใดๆไม่วกแวกทำจิตให้นิ่ง รวมพลังจิตทั้งหมดพุ่งตรงไปยังปลายผู้กันแล้วจรดปลายผู้กันลงไปที่กระดาษผ้าหรือแพร่ก็ได้ทิ้งน้ําหนักปลายผู้กันให้แน่นิ่งเป็นการเบิกทวาร้าดินด้วยพลังจิต ท, ที่พุ่งกระทบอย่างแหลมคมหูจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็อยู่ที่จุดเริ่มต้นนี้เองเมื่อเริ่มต้นแล้ว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 จนกว่าจะถึงวันนั้นวันนั้นคือวันที่เราจะได้พบความจริงว่าใดๆในโลกนี้หามีความแตกต่างกันไม่ล้วนแต่เป็นสภาวธรรมที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นเท่านั้นผู้ที่ฝึกฝนตนเองจะไม่เห็นความแตกต่างของสภาวธรรมผู้นั้นก็เข้าถึงสภาวธรรมและไม่ถูกความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกหลอนเบียดเบียน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 จิตที่ได้รับการอบรมมาจากชาติปางก่อนๆเป็นเช่นนี้บ้างตอนนี้เองผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเด็กนั้นก็จะเริ่มมาให้ผลจึงได้เห็นความอายุสั้นบ้างอายุยืนบ้างความแตกต่างจึงบังเกิดขึ้นด้วยประกาศรรนียฉะนั้นถ้าเราไม่ใหความแตกต่างระหว่างความรวยกับความจนความสุขกับความทุกข์